ทุตรัสูตรหน้านะยี่สิบนะเอกสารหน้ายี่สิบมาขึ้นธรรมะหมวดหกบ้างน ะ, ะธรรมะที่กล่าวในทุตระสูตรนี่นะเป็นธรรมะหมวดหนึ่งถึงหมวดสิบแล้วก็แต่ละหมวดนี่มีอยู่สิบเนี่ยนะ ก็เลยเป็นพระสูตรที่มีหมวดละ10มีอยู่10หมวดเนี่ยนะก็ขึ้นต้นนะหมวดหมวดนึ่งก็มีสิบหมวดสองก็มีสิบหมวด3ก็มีสิเนี่ยไล่ไปเรื่อยๆอย่างนี้นี่มาขึ้นหมวดหหมวด6นั้นก็มีธรรมะที่มีอุปการะมากทำที่ควรเจริญทำที่ควรกำหนดรู้ธรรมะที่ควรละส่วนที่เป็นไปแห่งความเสื่อม เป็นไปในส่วนแห่งความวิเศษที่แทงตลอดได้ยากที่ควรให้บังเกิดขึ้นที่ควรรู้ยิ่งที่ควรทำให้แจ้งเนี่ยไหมก็มีธรรมะทั้งสิบหมวดนั้นในหมวดหนั้นถ้าสิบหมวดก็เท่ากับห0สหัวข้อนะนะแตกับเป็นธรรมะหกสิหัวข้อใหญ่เหมือนกันเป็นธรรมะที่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสรู้โพธิมณฑลนี่นะผู้ที่ไป อินเดียเนี่ยนะโดยเฉพาะไปที่โพธิคุณพุทธคยาเนี่ยนะที่โพธิมณฑลสถานที่ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เราก็ไประลึกถึงความตรัสรู้ของพระองค์เนี่ยนะถ้าทรงจำถ้าสุดตรัสูตรได้ดีเนี่ยนะก็ไประลึกถึงธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ถึงจะส่วนหนึ่งก็ยังดีเนี่ยไห้ให้ได้ระลึกถึงว่าเออในสถานที่ตรงนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรมะที่ควร รู้ยิ่งนะธรรมะที่ควรรู้ยิ่งก็หมวดหนึ่งหมวดสองหมวดสามจนถึงหมวดสิบนี่ไ น, นะสถานที่ตรงนี้เป็นที่ที่พระพุทธเจ้ากําหนดรู้ทำที่ควรกําหนดรู้นะก็ทำที่ควรกําหนดรู้หมวดหนึ่งถึงหมวดสิบเป็นต้นเนี่ยนะถึงไม่ได้ไปก็อย่างน้อยก็ระลึกถึงสถานที่เหล่านั้นอนะแม้กระทั่งเห็นต้นไม้หรือต้นโพเนี่ยนะเห็นต้นโพอะก็โพที่ก็คือความตรัสรู้อีกนั่นแหละ ก็ระ ล, ลึกถึงว่าออ mm hmm. พระ อ, องค์ในตรัสรู้ธรรมะเหล่านี้นะโดยชอบโดยถูกต้องแล้วก็ด้วยพระ อ, องค์เองตรัสรู้อย่างจริงแท้แน่นอนไม่ไม่ผิดพลาดไม่เป็นอย่างอื่นเนี่ยนะในธรรมะหมวดหกธรรมะที่มีุปการะมากก็คือสารานิยธรรมหกเนี่ยลคำว่าสารานิยธรรมก็คือธรรมที่ทำให้ระลึกถึงกันเนี่ยให้ระลึกถึงกัน อันนี้พูดถึงกลุ่มคนที่อยู่กับหมู่กับคณะเนี่ยนะผู้ที่อยู่เป็นหมู่เป็นคณะ น, น, นี้สารานิยธรรมเนี่ยดีมากเพราะว่าเป็นธรรมที่ก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีปรองดองกันถ้าหากว่าขาดสารานิยธรรมเหล่านี้แล้วในแต่ละกลุ่มเนี่ยอยู่ยากมากเนี่ยนะมาดูนะว่าในสารานิยธรรมคือธรรมที่ให้ระลึกถึงการเนี่ยหกอย่างก็คือข้อแรก ดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายพิกสูในพระธรรมวิในนี้เข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนพรหมจา ร, รทั้งหลายทั้งต่อหน้าและลับหลังแม้นี้ก็เป็นสารานิยธรรมกระทาให้เป็นที่รักเนี่ยนะให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความพร้อมเพียงกันเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยนะเป็นธรรมะที่เป็นไปเพื่อความสามัคคีนะ ถ้าใครที่อยู่ในกลุ่มในหมู่ในคณะถ้าขาดธรรมะเหล่านี้นะให้รู้เถอะว่าหมู่คณะนั้นไม่นานอีกแตกแน่เนี่ยนะถ้าถ้าขาดสารานิยธรรมทั้งหอย่างเนี่ยนะหมู่คณะนั้นจะแตกไวแต่ถ้าเป็นไปกับสารานิยธรรมนี้คณะนั้นหมู่นั้นจะเป็นไปได้ยาวเนี่ยนะแม้กระทั่งการคบหาสมาคมมิตรภาพความเป็นเพื่อนฝูงกันก็เป็นไปได้นานแต่ถ้าไม่มีคุณธรรมเหล่านี้ต่อกันเลยมิตรภาพ หรือความผูกพันกันนี่ก็ไม่นานก็จะแตกราวเนี่ยนะนข้อแรกก็คือการตั้งกายกรรมประกอบไปด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลัง น, นะคำว่าเมตตานั้นหมายถึงความเป็นมิตรใช่ไหมความเป็นมิตรความน้อมประโยชน์เข้าไปให้แกแกบุคคลอื่นเนี่ยนะ เพราะว่าเมตตานั้นมีลักษณะการน้อมนําประโยชน์เข้าไปให้ก า, การน้อมนําประโยชน์เข้าไปให้ทางกายก็แบ่งออกเป็นสองอย่างคือต่อหน้าและรับหลังต่อหน้าเป็นยังไงต่อหน้าก็คือการช่วยเหลือกันเนี่ยนะก า, การช่วยเหลือกันการไม่นิ่งดูดายเมื่ออีกอีกคนอื่นเขาทําอะไรเราไม่นิ่งดูดายเนี่ยนะอันนี้เป็นข้อแรก เช่นว่าถ้าเขาเก็บเก็บกวาดปัดกวาดเช็ดถูเราก็เข้าไปช่วยเหลือในในส่วนนั้นนะั่นนะถ้าเป็นพระพิสุถ้าเพื่อนกาลยานมิตรท่านเย็บก็ไปช่วยท่านเย็บท่านย้อมก็ไปช่วยท่านยอ่อม น, นะท่านทํากิจอันใดที่ที่สมควรเนี่ยนะก็เข้าไปช่วยเหลือกันเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นสารานิยธรรมที่เมตตากายกรรมต่อหน้าเนี่ยนะเขาเคยมีตัวอย่างในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะนะคือพระ อนุรุทธะพระนันทิยะเนี่ยนะพระกิมมีละเนี่ยนะสามรูปพระทั้งสามรูปนี้ท่านไปอยู่เป็นผู้ที่สมัครสมานสามัคคีกันมากคือแต่ละคนเนี่ยคิดว่าฉันต้องเก็บใจตัวเองนะฉันจะประพฤติตามอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะก็จะเก็บใจตัวเองหมดเลยถ้าหากว่าในพระพิสุเหล่านั้นเนี่ยนะองค์ใดองค์หนึ่งท่านบอกว่าวันนี้ผมจะยอมจีวรไนะ องที่เหลือเนี่ยจะรีบเลยองคหนึ่งไปหาฟืนองคหนึ่งเนี่ยนะตั้งน้ําต้มน้ำอะไรก็ช่วยกันย้อมจีวร อ, องค์นั้นเสร็จจะไม่บอกเลยผมนี่ก็มีกิจจีวรผมก็ยังไม่ได้ทําอะไรทํา่ยไมอา้าวเอากิจของตัวเองมาว่าไม่จะเอากิจของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นหลักเนี่ยนะก็อนุวัตตามคนอื่นเนี่ยนะก็มีการช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่เลยว่างั้นเถอะ แต่ทีนี้คนอย่างนี้ก็ต้องมีคุณธรรมนะข้อท้ายๆเนี่ยสําคัญเช่นศีลกับทิฏฐิเป็นต้นเนี่ยนะต้องให้มันสม่ําเสมอกันนะไม่ใช่ว่าโอ้อีกเจ้าหนึ่งเนี่ยทําไม่มีเลิกมีราเลยนะทั้งกะเช้าจนค่ำ อ, อีกเพื่อนก็ต้องไปช่วยนั้งกะเช้าจนค่ำ อ, อย่างนี้ไม่นานร้าแนะ่เนี่ยนะหรืออีกทำหนึ่งอะไรที่มันเกินไปนะเอะอก็จะโวใช้คนอื่นเขาตลอดแต่พึ่บทั้งปีเนี่ยนะถ้าอย่างนี้ก็ไม่นานเนี่ยนะเป็นธรรมะที่ฉังกันแน่เนี่ยนะ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเก็บใจของตัวเองก็ไป ป, ปฏิบัติตามตามมิตรเนี่ยนะซึ่งมิตรนั้นก็เป็นผู้ที่มีคุณธรรมอย่างแท้จริงด้วยเหมือนกันทีนี้เมตตากายกรรมรับหลังนี่คืออย่างไรก็คือคนอื่นเขาเก็บคือทำอะไรไว้ไม่เรียบร้อยนะก็ก็คิดไว้เหมือนกับเราทำเองเช่นเขาเก็บไม่กวาดไว้ไม่เป็นที่เป็นทาง ก็มีความรู้สึกเหมือนกับเราเนี่ยเก็บของไม่เป็นที่เป็นทางก็วางไปเก็บไว้ให้มันถูกไปจัดระเบียบให้ให้มันถูกต้องนะอย่างเงี้ยนะคือไม่ได้รู้สึกโกรธหรือชิงชังเมื่อคนอื่นเขาทาอะไรผิดพลาดนะหรือเขาอาจจะด้วยความหลงลืมเผลอ อ, อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามเราก็ทํารับหลังโดยที่ไม่ไม่ปริปากบนไม่ไม่อะไรสักอย่างแต่ทีนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าหากว่าผู้ที่เป็นผู้ปกครองล่ะ ประพฤติสารานิยธรรมอย่างนั้นด้วยแต่ก็ต้องรู้จักแนะนําคนอื่นเขาด้วยเหมือนกันเนี่ยนะคือคือถ้าถ้าอยู่ในตําแหน่งที่ที่คล้ายๆกับเป็นผู้บอกผู้กล่าวผู้สอนเนี่ยน ะ, ะความไม่เรียบร้อยเป็นต้นก็จะได้ไปไปใช้ในเมตตาวจีกรรมอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะแต่ว่าเมตตากายกรรมก็ช่วยดูแลช่วยอะไรเป็นที่เป็นทางอ่ะนะอย่างเช่นถ้าเป็นนักเรียนของเราก็ใครลืมสมดุดลืมปากกาลืมดินสอนลืมอะไรก็เก็บไว้รอให้อีกเจ้าหนึ่งอ่ะนะ คิดว่เหมือนกับเราเนี่ยทำลืมซะเองเนี่ยนะก็ของใครหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเนี่ยนะไม่ได้ไม่ใช่ทําด้วยจิตที่ขุนเคืองอันนี้ก็เป็นเมตตากายกรรมรับหลังเมตตาเหล่านี้เนี่ ย, น, ยนะทำให้เป็นที่รักเรียกว่าทําให้เป็นที่รักคําว่าเป็นที่รักก็คือเมื่อการล่วงไปนานก็ไม่ควรลืมเนี่ยนะเพราะเป็นธรรมะที่ ควรให้ระลึกถึงเป็นอย่างยิ่งเนี่นยนะเรียกว่าประโยชน์ที่ดีต่อกันนะนึกเมื่อไหรก่ก็ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสอ่ะนะ น, น, นึกที่ไรก็ผ่องใสแบบนั้นเถอะแล้วก็ทุกคนก็จะเป็นที่เคารพซึ่งกันและกันยำเกรงซึ่งกันและกันสงเคราะห์ซึ่งกันและกันไม่วิวาทกันและกันก็เป็นไปเพื่อความพร้อมเพียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่ถ้าอีกเจ้าหนึ่งทําอีกเจ้าหนึ่งดูดาย ส่วนใหญ่นะจะทะเลาะกันในในบ้านปลายเนี่ยนะอีกเจ้าหนึ่งโอยทำหมดอีกเจ้าหนึ่งก็สบายมากไม่สนใจไม่ดูแลไม่เขาทำไว้ไม่ดีก็ไม่ใช่ธุระของชั้นเขาทำก็ไม่สนใจเนี่ยนะกไม่นานถ้าพูดจำนวนเขาทั่วไปนะจำนวนทั่วไปเขาจะเชิญออกพูดแบบภาษาไก่หน่อยเขาก็าจะเขี่ยออกแค่นั้นเองเนี่ยนะ พูดภาษาไก่ถ้าพูดภาษาคนเาก็อาจจะบอกให้ออกไปเนี่ยนะเพราะว่าอยู่แล้วมันเป็นภาระกับคนอื่นเขาหวังั้นเพรา ะ, ะนี่การเมตตาทั้งกายกรรมทั้งต่อหน้านะคนเนียจะไม่ทำตัวให้เป็นภาระแก่คนอื่นเนี่ยนะแล้วในขณะเดียวกันก็ไปช่วยแบ่งเบาภาระคนอื่นคือทุกคนมีความคิดว่าฉันต้องไปช่วยแบ่งเบาภาระในส่วนนั้นๆของเขานะะก็จะมีความคิดแบบนี้อันนี้เป็นเมตตา ทั้งกายกรรมนะบางอย่างก็ทําต่อหน้าบางอย่างก็ทํารับหลังทีนี้ต่อไปข้อที่2ก็บอกว่าอีกข้อหนึ่งพิสูจเข้าไปตั้งวจีกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังแม้นี้ก็เป็นสารานิยธรรมกระทําให้เป็นที่รักทําให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาด ก, กันเพื่อความพร้อมเพรียงเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เมตตาวจีกรรมเนี่ยนะก็คือคำพูดที่ประกอบไปด้วยเมตตาจิตคือมีจิตที่มีเมตตาเป็นสมุทฐานแล้วก็พูดออกไปเนี่ยนะคือการพูดนั้นจะพูดถึงกับบางคนเนี่ยนะบางอย่างก็พูดต่อหน้าบางอย่างก็พูดลับหลังเมตตาวจีกรรมก็คืออะไรถ้าถ้าบอกกล่าวต่อหน้านะก็คือการแนะนำสิ่งที่มีประโยชน์ให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งเดี๋ยนะ อย่างสมมติถ้าพระพิสุท์จะแนะนําสิ่งที่มีประโยชน์แกาา่คารวะก็แนะนําเรื่องสิกขาบทเรื่องไตรสรณะคมเรื่องธรรมฐานบอกพระพุทธพจน์บอกพระธรรมคําสอนเป็นต้นเนี่ยนะตั้งเพื่อประโยชน์ให้เขาเกิดความรู้เกิดความเข้าใจในพระธรรมคําสอนอันนี้ก็เป็นเมตตาวจีกรรมส่วนคารวะก็เมตตาวจีกรรมเป็นยังไงก็เชิญชวนกันทํากุศลนะส่วนต่างๆเนี่ยนะคือ ตั้งเจตนารมที่ดีนะให้ให้คนอื่นเขาได้ทำกุศลเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่บุคคลนั้นๆเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นเมตตาวจีกรรมต่อหน้าส่วนเมตตาวจีกรรมรับหลังก็คือการพูดถึงกันเนี่ยนะด้วยว่าท่ว่าเป็นของเราเนี่ยนะถ้าอย่างในท่านก็ยกตัวอย่างว่าพระพิสุจะพูดถึงพิกษุอีกรูปหนึ่งนะ สมมติว่าอ้าวท่านปุตตะของเราเนี่ยไม่มาหรือท่านปุตตะของเราเนี่ยท่านไปไหนล่ะคล้ายๆว่าพูดเหมือนกับว่าท่านกับเรานี่เป็นเป็นคนเดียวกันอ่ะนะเรียกว่าเป็นของเราเลยอ่ะนะรักใครเคารพหวังดีปรารถนาดีคล้ายๆแบบนั้นนะคือบางช่วงก็สังเกตดูผู้การเขามีได้ยินบ่อยเหมือนกันอ้าวพี่ของเราไปไหนล่ะอย่างงี้ยนะก็ก็จะยกให้เป็นลักษณะที่เรียกว่าของเราอย่างนั้นเนี่ยนะพี่ชมเชยของเราไปไหนอย่างเงี้ยนะ <c oughs> เป็นตอนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนนะตอนอยู่นะ ตอนนี้ก็ไม่ใช่แล้วนะน <c> ะ <oughs> คือคือถอยคำเหล่านี้ก็จะเป็นเมตตาวจีกรรมอ่าถ้าพูดถึงอีกฝ่ายหนึ่งก็รับหลังอ่ะนะถ้าพูดแต่ทั่วไปก็การแนะนําสิ่งที่มีประโยชน์เรียกว่าวจีกรรมต่อหน้าเนี่ยนะคือแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะอีกฝ่ายหนึ่งได้ยินว่าเอ๊เขาพูดถึงเราด้วยความหมายคว่าด้วยความหวังดีะนะเราก็มีใจดีกับเขาเหมือนกันนะถ้าเขาพูดถึงเราในแง่ไม่ค่อยดีเอ๊เราก็ชัก ธรรมชาตินะสายโทรศั์มันก็จะมันมันติดเชื่อกันเร็วคือไฟเนี่ยมันลามทุ่งมันไปเร็วเหมือนกันเนี่ยนะทีนี้สายเมตตาก็เหมือนกันมันก็ติดกันไปเร็วเหมือนกันเนี่ยนะเมตตาทั้งวจีกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังเนี่ยสําคัญมากแต่ทีนี้ถ้าขาดเมตตาวจีกรรมรับหลังนี่เขาเรียกอะไรรู้ไหมเรียกนินทากับว่าร้ายเนี่ยนะนินทาว่าร้ายนะก็พูดในแง่ไม่ดีอ่ะบางทีจริงนะแต่ว่ามันไม่มีประโยชน์อ่ะ ถึงจริงก็จริงอะนินทาก็คือเอาเรื่องจริงมาพูดนั่นแหละแต่ไม่ได้พูดเพื่อประโยชน์เรียกเลยเรียกว่านินทาเหมืนกันเมตาก็ต้องตั้งทั้งต่อหน้าและรับหลังนี้อีกข้อหนึ่งภิกษุเข้าไปตั้งมโนกรรมประกอบไปด้วยเมตตาในเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังแม้นี้ก็เป็นสารานิยธรรมกระทาให้เป็นที่รักให้เป็นที่เคารพ เป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความพร้อมเพียงกันเนี่ยนะเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเมตตามนโนกรรมเนี่ยต่อหน้าก็เป็นยังไงก็เช่นถ้ามองกันก็มองด้วยสายตาที่เป็นเมตตาเนี่ยนะคือคือเช่นทางตาเป็นต้นเนี่ยน ะ, อะมองกันด้วยเมตตามองด้วยโทสะกับเมตตาได้ต่างกันไห น, นะ สายตาที่ที่บอกด้วยเมตตากับสายตาที่โทสะเนี่ยนะก็แตกต่างกันเพระั้นการมองกันเป็นต้นด้วยด้วยเมตตานี่ก็เรียกว่าเมตตามโนกรรมต่อหน้าอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือมีความคิดว่าขอให้เขามีความสุขไหมนำนความสุขเข้าไปให้เขาอ่ะนะคิดเออขอให้เขามีความสุขกันนะสุขกายสุขใจสุขอะไรก็ว่าไปสุขในศีลสุขในธรรมสุขในสมาธิสุขในมรรคผลนิพพานอะไรก็ ก็คิดไปเนี่ยนะขอให้เขาได้ควรได้รับความสุขเหล่านั้นๆหรือว่าเขาจะได้มีเวร น, นะจะได้มีปัญหาอย่าได้เบียดเบียนอย่าได้พยาบาทขอให้เขาไม่มีโรคนะให้ป่วยน้อยอ า, าพาธน้อยนะความคิดแบบนี้เป็นเมตตามโนโกรรมเนี่ยนะถ้าคิดต่อหน้าก็เป็นเมตตามโนกรรมต่อหน้าถ้าคิดรับหลังก็เป็นเมตตามโนกรรมรับหลังเมตตามโนกรรมรับหลังเนี่ยเป็นเหตุให้ได้ฌานเนี่ยนะเมตตามโนกรรมรับหลังเป็นเหตุขอไป เมตตามโนกรรมเป็นเหตุให้ได้ฌานเมตตากายกรรมกับวจีกรรมเป็นเหตุให้มีพวกมากเนะผู้ที่ประสงค์จะเจริญกรรมฐานเพื่อให้ได้ฌานเนี่ยนะโดยเฉพาะพรหมวิหารก็ต้องเนะี่ยมาศึกษาเรื่องเมตตากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังเนี่ยนะ เมตตาเนี่ยก็มาจากอีกอย่างหนึ่งก็คือหมายถึงมิตรหรืออย่างหนึ่งก็ไมตรีเนี่ยนะถ้าเจริญเมตาก็สัมพันธไมตรีใช่ไหมนะก็เมตตาหรืออีกคำหนึ่งนะที่ถ้อยคําที่ประกาศถึงเมตานะาเป็นป้ายขอให้ท่านเดินทางโดยสวัสดีภาพเนี่ยนะถ้าทำด้วยเจตนารมณ์ที่ดีนะอันนั่นเป็นเมตต า, านี่ยนะก็ ถ้อยคำลักษณะเหล่านี้เป็นเป็นการประกาศถึงเมตตา น, นะเป็นไมตรีจิตที่ที่มีต่ออีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยน ะ, ะหรือความเป็นมิตรภาพเนี่ยนะความหวังดีความปรารถนาดีถ้อยคำที่ประกาศที่ ท, ที่ถ้าเกิดจากเมตตาจริงนะเช่นด้วยความปรารถนาดีจากใครก็ว่าไปอันนี้อย่างหนึ่งอย่างหนึ่งก็คื อ, อคำอวยพรทั้งหลายแล ถ้าถ้าทำด้วยเมตตาจิตนะคำอวยพรทั้งหมดก็เป็นเมตตาน่ น, นะตั้งอขอให้มีความสุขมีอายุยืนอะไรเนี่ยนะที่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาให้พรน่ะนะอันนั้นถ้าถ้าถ้ า, ถาจิตจิตดีจริงๆอะ่ะแต่โดยวาจานี่ใช่ละเนี่ยนะว่าวาจาลักษณะนั้นะ่ะเป็นวาจาที่ประกอบด้วยเมตตาแต่ถ้าเป็นเมตตาจริงก็ถ้าเจริญอย่างนั้นได้มากได้ต่อเนื่องก็ ชาณจิตเกิดได้เนี่ยนะถ้าถ้าสามารถกระจาย อ, อ, อารมณ์ไปเรื่อยเนี่ยนะทีนี้เมตตาอันนี้องค์ธรรมก็คืออโทสะเนี่ยนะความไม่ประทุสร้ายซึ่งตรงกันข้ามกับโทสะใช่ไหมถ้าถ้าเราเอามาเทียบนะโทสะก็คืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าพยาบาทส่วนอโทสะก็คือ อพยาบาทเนี่ยนะโทสะคือพยาบาทถ้าพยาบาทเนี่ยนะเป็นลักษณะเพ่งโทษเนี่ยนะเพ่งโทษที่ไม่เป็นจริงเนี่ยนะหรื อ, อถ้านิมิตก็เป็นีเรียกว่าอารมณ์ตระกูลเป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองอ่างั้นเถอะ คือคิดเมื่อไหร่ก็สำนวนว่าระคายเคืองใจอ่ะน ะ, ะถ้าอารมณ์ไหนที่คิดบ่อยคิดถึงปุ๊บแล้วระคายเคืองใจไม่สบายใจเลย อ, อารมณ์นั้นรู้ว่าเป็นอารมณ์ของโทสะดนะคิดแล้วไม่ไมชอบเลยคิดแล้วไม่สนุกไม่ร่าเริงแล้วก็โทสะมันมีอย่างหนึ่งคือมันขาดปีตินะนะยิ่งคิดยิ่งเฉ่ายิ่งคิดยิ่งยิ่งเฉาปีติปราโมทย์ไม่เกิดเลยอ่ะ บุคคลที่เราคิดถึงอันนั้นเรียกว่าขาเราขาดเมตตากับเขาอย่างมากเลยถ้าคิดถึงเขาแล้วไม่มีปีติไม่มีปราโมดไม่มีอะไรเลยเนี่ยนะแต่ถ้าเป็นอะโทสะหรืออัพยาปาทะหรือที่เรียกว่าเมตตานั้นน่ยก็จะมีองค์งประกอบเขามีสองอย่างใช่ไหมปียะกับมนาปะปียะนี้หมายถึงว่ามีความมีความรักเขา เหมือนกับว่าคนที่เคยอยู่ร่วมกันมาอย่างนานๆแบบแบบแบบอยู่แบบมิตรภาพนะไม่ใช่ทะเลาะกันมานานนะไม่ใช่หมายถึงว่าอยู่ร่วมกันมานานแล้วเนี่ยนะเป็นเป็นเหมือนกับว่าโอ้เคยอยู่ร่วมกันมานานด้วยความหวังดีด้วยความปรารถนาดีชื่นชมต่อกันเนี่ยนะอย่างหนึ่งที่ที่เป็น เป็นที่มาอีกอย่างหนึ่งก็ ค, ค, คือคำว่าปุกเพสันนิวาสคือถ้าถ้าตัดสายโลภะออกไปเสคืออันนี้นี่พูดถึงเมตานะไม่ใช่โลภะโลภะกับเมตานี่ถือว่าเป็นศัตรู ก, กันแต่ว่าโลภะเป็นศัตรูใ ก, กล้แต่ถ้าเมตานี่พอเห็นอะไรแล้วถ้าถ้าเป็นเมตตาโดยบริสุทธิ์ใจก็คือเหมือนกับว่าเคยอยู่ร่วมกันมานานแล้วเหมือนกับเคยเป็นพี่เป็นน้องเหมือนกับญาติเหมือนกับ เหมือนกับคนที่เราคุ้นเคยนะเธอหรือพูดเปรียบเทียบอีกในหนึ่งนะสมมติว่าคนนี้ยเป็นลูกเราไปเห็นอีกคนเนี้ยเอ๊ะทําไมเหมือนลูกเราเลยเนี่ยลักษณะนี้จะเป็นเมตตาหรือเหมือนคนเนี้เหมือนหลานเราคนเนี้ยเหมือนหลานเราคนนี้เหมือนพี่เราเหมือนกับญาติเราเหมือนกับพ่อเราแม่เราอะไรทั้งหลายแหละลักษณะนี้จะเป็นเมตตาทั้งนั้นเลยเนี่ยนะคล้ายกันเนี่ยนะ คือคือมีพยานเป็นที่ตั้งแห่งเมตตาหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือท่านผู้เป็นเช่นเราเห็นไหมผู้ท่านนี่เหมือนเราเลยเนี๋ยวนะก็ความเห็นอกเห็นใจก็จะมีมากขึ้นอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งของเมตตาเนี่ยนะเห็นอกเห็นใจเขา เ, เขาก็เหมือนเรานี่ไม่ได้มีอะไรต่างกันเลยนะเียนะก็เกิดการเปรียบเทียบซึ่งจะต่างจากโทสะเนไ ก็คิดดูนะว่าในโลกนี้นะคนเนี่ยจะมีเมตตาให้กับตัวเองนี่ค่อนข้างมากนะถ้าเราเองทําอะไรผิดลงไปนะเราก็บอกว่ามันไม่เท่าไรหรอกมันแก้ไขได้ทั้งนั้นเลยใช่ไหมมันมันไม่มีอะไรมันพอแก้ไขได้แต่ถ้าคนอื่นก็ไม่ค่อยได้เหมือนกันมันมันแก้ไขยากเรื่องนี้มันปัญหาเลืองเกินอะไรเนี่ยเอาจนมันยากหมดอะไ่างเงี้ยแต่แต่ถ้าเราเนี่ยนะจะได้หมดพราะคนเนี่ยโดยลําพังนะถ้าถ้านึกรักคนอื่นเหมือนกับรักตัวเองก็จะ เมตาก็จะเกิดขึ้นส่วนมานาปะเนี่ยนะคือความเจริญใจเป็นบุคคลที่ที่เจริญใจเนี่ยนะเขาเขาน่าเจริญใจในส่วนไหนบ้างอะ่ะคือเขามีศรัทธาบุคคลผู้มีศรัทธาเป็นคนที่คิดถึงและเจริญใจผู้ที่มีศีลก็คิดถึงแล้วก็เจริญใจผู้ที่มีสุตะคิดถึงแล้วก็เจริญใจมีจาคะ คิดถึงแล้วก็เจริญใจหรือมีปัญญาเนี่ยนะก็เจริญใจ น, นะถ้าถ้าอย่างคนมีศีลเนี่ยนะคือมากไปด้วยอโทสะอย่างเงี้ยนะคนที่มีสุตาก็คือบ่องถึงพวกคุณธรรมประเภทปัญญาเนี่ยนะจาคาก็คืออะโลภะเนี่ยนะปัญญาก็คือตรงกันข้ามคืออะโมหะถ้าศรัทธาก็เป็นผู้ที่ผ่องใสอย่างนั้นเถอะ งั้นบุคคลประเภทนี้เป็นคนที่ที่เราคิดถึงแล้วก็ก็เจริญใจเนี่ยนะทีนี้ถ้ามันมีคนที่เราคิดอย่างนี้แล้วมันไม่เจริญใจจะว่าไงถ้าสมมตินะพอพอจะนึกเจริญเมตตาให้เขาสันหน่อยเนี่ยนะเออให้มีความสุขนะอีกพักหนึ่งมันโทษเข้ามาหมดเลยนะคนในโลกนี้มันมีความชั่วอยู่หนึ่งนะบางคนก็ชั่วทางตาย บางคนก็ชั่วทางวาจาบางคนก็ชั่วทางใจเนี่ยนะบางคนก็ดีทางกายบางคนก็ดีทางวาจาบางคนก็ดีทางใจเนี่ยนะอันนี้ชั่วทางนี้ดีในบางคนนะอาจจะว่ามันไม่มีดีหมดมันก็ไม่ค่อยมีเลวหมดั้นเถอะโดยโดยปกติคนทั่วๆไปนะ มันก็ไม่มีเลวหมดไม่มีดีหมดถ้าถ้าโทสะนะมันจะคิดถึงแต่ไอสิ่งตรงที่เขาชั่วถ้าโทสะนะอันนี้อารมณ์ของโทสะอันนี้อะโทสะเขาบอกว่าถ้าโทสะคิดมันมีส่วนเลวถ้าโทสะคิดไนหะถ้าอะโทสะคิดเขามีส่วนดีเนี่ยนะ เช่นว่าบางคนเนี่ยกายไม่ดีวาจาไม่ดีแต่ใจเขาดีนะถามว่าใจเขาดีตอนไหนตอนที่เขาตั้งใจฟังธรรมสักครั้งคราวหรือแหมกราบพระพุทธรูปงามๆสักทีหนึ่งเอาก็ถือว่าดีลนะก็จําไว้ตรงนั้นก็พอเนี่ยนะถ้าผู้ใดหนึ่งนะเป็นเป็นการคนที่มีเมตตาเนี่ยจะแยกแยกที่จะแยกมองอ่ะนะแยกดูก็ได้พฤติกรรมเลือกดูอย่างนั้นเถอะ เขามีส่วนเลวบ้างก็ช่างเขาไปอะไรนะเราก็ไม่สนใจเราคิดถึงแต่ส่วนที่เขาดีเนี่ยนะเขาดีส่วนไหนก็คิดถึงส่วนนั้นแต่ถ้าเขาชั่วหมดเลยทำยังไงมันมีบางคนนี่ชั่วสมบูรณ์แบบหมดนะบางคนก็ดีสมบูรณ์แบบเนี่ยนะถ้าตกลุ่มที่ชั่วสมบูรณ์แบบก็เป็นคนที่ควรเจริญกรุณาถ้าดีสมบูรณ์แบบเลือกเจริญเมตตาส่วนไหนก็ได้ คิดถึงทางกายวาจาใจส่วนใดก็ได้เลือกเจริญได้หมดเลยแต่ถ้าคนที่ว่าชั่วไม่ทางกายก็นึกแล้วมันก็ไม่มีดีทางวาจาเนึกแล้วก็ไม่มีดีทางใจก็นึกแล้วก็ไม่มีดียังนึกถึงหลวงพ่อคนหนึ่งที่ตอนที่ไปอินเดียกันนะคุณมอบอกว่าผมเนี่ยก็พิจารณาหาความดีมันอยู่บอกว่ามันไม่ค่อยมีดีตรงไหนเลยนะผมเลยช่วยมันแค่500ร้อยก็ว่างั้นมันนึกแล้วมันไม่มีความดีให้เราพอจะช่วยมันเลยกว่างั้น เงี้ย น, นึกําคือแขกเขาแต่งงานหลวงพ่อก็ช่วยเขามาจัดงานแต่งงานที่วัดเหมือนกันเถอะนับถือพุทธเหมือนกันเขาบอกเอ้มันจะช่วยมันตรงไหนได้บ้างเหมือนกันนึกหาความดีมันก็ไม่มีเลยเขาบองั้นเลยช่วยมันเท่านี้แหละเขาบอกงั้นบรรทําเมตตานะก็จะนึกถึงไอ้ตรงไหนมันดีบ้างแล้วก็จับไวปจะแค่ตรงนั้นแหละแต่ถ้าเป็นกรุณาเนอถ้าเขาไม่ดีจริงๆก็ควรจะ ก, กรุณา ความไม่ดีของเขานะเช่นไม่ดีทางกายทางวาจาทางใจอะ่ะเหมือนกับความป่วยไขย้เนี่ยนะเหมือนกับเขาเนี่ยป่วยไขย้ป่วยทางกายป่วยทางวาจาและใจแล้วก็คติของคนที่ไม่ดีจะเป็นยังไงก็คติก็ไม่ดีคนนี้รู้ว่าเดินทางกันดานป่วยด้วยเดินทางกันดานด้วยคนช่วยก็ไม่มีถามว่าหน้ากรุณาขนาดไหนเนี่ยนะ ก็วาตาของเขาเขาจะไปยังไงเนาะสมมุตินะกายก็ไม่ได้ทําดีไว้วาจาก็ไม่ดีใจก็ไม่ดีเนี่ยนะเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกไปสู่อบายทุกขิวินิบาศนะรกถ้าไปเป็นไสเดือนกระดึบกระเด็บตากแดดกลางวันนี้นะนแล้วมันเกิดนึกอยากออกมาเดินชมวิวอย่างเงี้ยกระเด็บกระเด็บแล้วบนถนนลาดยางเนี่ยนะมันจะทุกขขนาดไหนนะโอ้มันจะน่าเห็นใจขนาดไหนเนี่ยนะท่านก็สัตว์ทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้น แต่ถ้าเขาดีนะเราก็นึกเลือกเจริญเลยก็มีดีอะ่ะแต่ถ้ามุธิทตาก็ก็ได้ต่อจากเมตาก็ได้เนี่ยนแต่ว่าคติของเขาต่อไปเนี่ยเขาจะมีดียังไงก็เลือ ก, เ ล, อกเลือกเจริญเอานะหรือก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คือถ้าเจริญไม่ไหวจริงๆนะเลือกกายกันแล้ววาจากันแล้วมันก็ยังอัโทสะมันก็ไม่เกิด ง่ายนิดเดียวก็คิดว่าไม่มีในโลกก็จบกันแะ้นะก็ ก, ก็ไม่ต้องไปคิดถึงแันนั้นเองเนี่ยนะแต่ถ้าเจริญตายแล้วนะคนนี้ก็ยังมาเรื่อยๆว่างั้นเถอะสมมตินะถ้าเจริญเมตตามโนกรรมนะคนนี้ก็โผล่มาเรื่อยถ้าพผล่มาเรื่อยก็นะก็มีคือธาตุกรรมฐานเจริญโดยความเป็นขันอยตนะธาตุไปเลยในในบุคคลที่เราสมมตินะ เจริญเมื่อไหร่พิจารณาแง่ไหนก็โทรสะอยู่ดีก็ธาตุเอาเช่นธาตุสีปฐวียีสอาโป12เตโชส ว, วายโยหก็ไล่มาเลยว่าเราไม่ชอบเกศาใช่ไหมไม่ชอบผมหรือว่าไม่ชอบขนหรือว่าไม่ชอบเล็บไม่ชอบฟันไม่ชอบหนังไม่ชอบเนื้อไม่ชอบกระดูกะนะไล่ไปเรื่อยพร้อมทั้งสมุทฐานเนี่ยไล่ไปให้หมดเลย จนครบ20หรือว่าโกรธน้ําดีเนื้อโกรดเสมหะหรือว่าโกรธเลือดเนี่ยนะเอ๊หรือว่าโกรธน้ําลายหรือว่าโกรดเหงื่อโกรธมันคนอย่างเงี้ยนะโกรธน้ําตาเขาหรือโกรธน้ํามูกหรือว่าไขข้ออย่างเงี้ยนะก็ไล่ไปเรื่อยเนี่ยนะหรือโกลมเอ๊โกรธธาตุไฟที่ทําให้ย่อยอาหารใช่ไหมหรือโกรดธาตุไฟที่ทําให้แก่ชราหรือว่าไปโกรธไอธาตุไฟที่ทําให้ป่วยไข่อย่างเงี้ยนะ เรื่อโกรธวายโยลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่มลมในท้องในลำไส้หายใจเข้าหายใจออกลมพัดทั่วสารพางกายเราไม่ชอบพระตรงไหนนะก็ไล่อันนี้โดยความเป็นธาตุถ้ามันก็ยังไม่เลิอกอีก